ขขนานผีกรสือและประสบการณ์เจอกรสือในวันปีใหม่กรสือเป็นผีชนิดหนึ่งเชื่อกันว่า สิงสู่อยู่ในตัวของคนเพศหญิงซึ่งโดยมากมักจะเป็นยายแก่โดยกระสือจะชอบกินของสดของข่าวมักออกหากินกลางคืนและจะไปแต่หัวกับตับไตไส้พุงส่วนร่างกายก็จะทอดไว้ที่บ้านเวลาลอยไปจะเห็นเป็นดวงไฟดวงโตมีแสงเรืองกระพริบใครที่คลอดลูกใหม่กลิ่นสดของข่าวเลือดจะชักนาให้ผีกระสือมา และกินตับไตไส้พุงหรือลูกของหญิงคนนั้นเหตุนี้ชาวบ้านจึงมักเจ้าหน้ำผุทสาใส่ไว้ที่ใต้ถุนเรือนตรงที่มีร่องมีรูเพื่อป้องกันไม่ให้กระสือเข้ามาได้เพราะเชื่อกันว่าน้ำจะเกี่ยวใส้ทำให้กระสือกลัวมากนอกจากของสดของข่าวแล้วยังชอบกินของโโครกเช่นอุจจระเมื่อกินเสร็จแล้ว ถ้าเห็นผ้าของใครตากทิ้งค้างคืนไว้ก็จะเข้าไปเช็ดปากผ้านั้นก็จะปรากฏเป็นรอยเปื้อนเป็นดงดวงแล้วถ้าเอาผ้านั้นไปต้มกระสือจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนปากมากจนทนไม่ไหวต้องออกมาแสดงตัวกระสือนั้นเมื่อเจ็บเจียนตายก็จะไม่ยอมตายเด็ดขาดจะต้องคายน้ำลายของตนเข้าสู่ปากลูกหลานคนใดคนหนึ่งไวเพื่อให้สืบต่อทายาท เป็นกระสือต่อไปการปราบกระสือนั้นไม่สามารถไล่ผีที่มาสิงสูออกจากร่างกายของเหยื่อได้ว่ากันว่าวิญญาณที่เป็นกายทิพนั้นสามารถบังคับร่างที่เป็นกายหยาบของผู้ถูกสิงอยู่นั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นการหอดหัวและอวัยวะภายในให้หลุดออกมาจากร่างรวมถึงการลอยตัวอยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้นั่นก็หมายความว่าร่างกายนั้นไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์แล้วเป็นร่างกายที่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้โดยอำนาจของผีกระสือที่อยู่ในร่างเท่านั้นถึงแม้กระสือจะถูกไล่ออกจากร่างไปแต่ร่างกายนั้นก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างคนปกติอีกต่อไปดังนั้นการปราบกระสือ ก็เท่ากับต้องฆ่าคนคนนั้นไปด้วยเลยบ้างก็เล่าว่ากระสือแก่เมื่อมีการถ่ายทอดความเป็นกระสือสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปแล้วตนเองจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานก่อนจะเสียชีวิตในสภาพที่หัวกับปววยวะภายในหลุดออกมาจากตัวซึ่งเป็นผลพวงจากการถูกวิญญาณร้ายบังคับให้แยกออกไปหากินเมื่อครั้งยังมีกระสืออยู่ในร่าง เมื่อถ่ายทอดกระสือออกจากร่างไปแล้วหัวกับตัวก็จะไม่สามารถติดเชื่อมต่อกันได้อีกต่อไปและเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ9ปีก่อนตอนเรายังเรียนอยู่ชั้นปห้าช่วงนั้นเป็นช่วงสิ้นปีแม่ก็เลยพาสามสาวซึ่งมีเราพี่สาวและน้องสาว ไปต่างจังหวัดซึ่งเป็นบ้านของป้าและยังมีญาติคนอื่นๆอยู่ที่นั่นด้วยตั้งใจกันว่าจะไปอยู่เขาดาววันขึ้นปีใหม่กันที่นั่นบ้านของป้าเราจะเป็นบ้านชั้นเดียวติดกับถนนซึ่งอยู่ในชนบทซึ่งป้าเรานั้นเปิดร้านขายของชำและทำร้านเสริมสวยไปด้วยก็มีลูกค้าอยู่บ้างพอสมควรส่วนด้านหลังบ้านจะเป็นสวนกล้วยเลี้ยงไก่ และคางบานจะมีสารพระภูมิตั้งอยู่เพราะถึงกลางคืนญาติเราก็ทําหมูกระทะกินกันซื้อหมูซื้อไก่มาทํากินเพื่อที่จะรอฉลองปีใหม่พอเริ่มมืดได้ทีญาติเราก็เล่าเรื่องผีแล้วก็กินไปด้วยให้เราก็คิ้กลัวอยู่แล้วนั่งฟังเงียบๆอย่างเดียวจนเวลาถึงเที่ยงคืนเมื่อเขาดาวกันเสร็จทุกคน ก็แยกย้ายกันเข้านอนพวกแม่และผู้ใหญ่เขาก็ออกไปต่อกันที่อื่นปล่อยให้พวกเด็กๆอย่างเรานอนกันเราก็เลยมานอนรวมกันตรงห้องนั่งเล่นซึ่งตรงนั้นจะมีทีวีหน้าต่างกระจกแบบหมุนเป็นช่องๆเพื่อหมุนเปิดรับลมเข้ามาพอมองออกไปก็จะเห็นเป็นแนวป่าข้างๆบ้านและจะมีห้องน้ำที่ต้องเดินผ่านประตูห้องครัวหลังบ้านก่อน ตรงนั้นจะเป็นหน้าต่างไม้ซึ่งจะเห็นต้นกล้วยพอดีเพราะคนอื่นๆนอนกันแล้วก็เหลือเราที่นอนไม่ค่อยหลับก็เลยนอนเล่นรอแม่กลับเวลาผ่านไปจนตีสองเราก็ได้ยินเสียงหมาหอนเหมือนใจจะขาด แล้วก็มีเสียงคนเรียกให้เปิดประตูหน่อยตรงประตูหน้าบ้านน้ำเสียงที่ได้ยินนั้นเหมือนกับคนแก่เมื่อเราได้ยินเสียงนั้นก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีประตูบ้านนี้จะเป็นสังกะสีเลื่อนปิดจากด้านบนลงมาแล้วคล้องกุญแจล็อกเราคิดว่าจะเป็นแม่กับป้าหรือเปล่าเลยหยิบกุญแจมาเพื่อที่จะไปไขพอไขเสร็ เราก็เลื่อนประตูขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก้มมองดูก็ไม่เห็นใครสักคนไม่เห็นแม่และรถของแม่ด้วยป้าเราก็ไม่เห็นเราเริ่มจะ ก, กลัวแล้วก็เลยรีบเลื่อนประตูปิดลงมาล็อกกุญแจเหมือนเดิมแต่พอเราเดินห่างออกจากประตูมาได้แค่ไม่กี่ก้าวเราก็ได้ยินเสียงเรียกอีกว่าทำไมรีบปิดประตูละ่ะขอเข้าไปหน่อยทีนี้ เราเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แม่กับป้าแน่ๆแต่เป็นใครไม่รู้เราเรีบวิ่งยังไม่คิดชีวิตพุ่งเข้าไปซุกที่นอนแล้วเอาผ้าห่มมาคลุมโปงโชคดีที่มีน้องสาวกับพี่สาวนอนอยู่ข้างๆแล้วจู่ๆบรรยากาศในบ้านก็เย็นขึ้นอย่างน่าประหลาดใจมันไม่ได้เย็นจากพัดลมลมที่พัดเข้ามาจากกางนอกก็พัดปกติเรารู้สึกเหมือนกับว่า กำลังอยู่ในห้องเย็นของห้องดับจิตเลยเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งเราก็เปิดผ้าห่มออกเพราะร้อนหายใจไม่ออกและอากาศที่เย็นเฉียบพันนั้นก็หายไปแล้วเราก็เห็นดวงไฟเป็นแสงสีแดงลอยผ่านหน้าต่างไปสักพักดวงไฟนั้นก็ลอยกลับมาเราเห็นเป็นหน้าคนเลยเส้นผมรุงรังสีดำปนขาว มีแสงไฟสีแดงวูบวาสายตาจ้องเขม่งมาที่เรามันดูน่ากลัวมากแล้วผีตัวนั้นก็พูดขึ้นเสียงว่าทำไมไม่ให้กูเข้าไปเสียงที่พูดมานั้นดังมากแต่ไม่มีใครตื่นสักคนเรากลัวมากนอนคลุมโปงแล้วร้องไห้แต่มันก็ยังไม่หยุดแล้วก็พูดขึ้นมาอีกว่าเปิดประตูให้กูให้กูเข้าไป ถ้ากูเข้าไปได้กูจะควักไส้มึงออกมากินแล้วเขาก็ลอยไปลอยมาอยู่ตรงหน้าต่างเหมือนกับว่าจะหาทางเข้าซึ่งลอยไปลอยมาอยู่อย่างนั้นนานมากจนเวลาล่วงเลยไปถึงตีสี่กว่าๆแม่เราก็ขับรถกลับมาพร้อมกับพวก ป, ปา้าแต่ผีตัวนั้นก็ไม่อยู่ตรงที่หน้าต่างแล้วหายไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือ เรารู้สึกโล่งใจมากเพราะแม่และปะปากลับมากันสักทีและบ่ายวันนั้นแม่ก็ขับรถพารกลับกรุงเทพตอนขับรถออกจากบ้านป้าขณะที่ออกมาได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่เรานั่งอยู่ริมเบาะหลังแล้วบังเอิญก็หันไปมองริมถนนเราเห็นผู้หญิงแก่ๆใส่เสื้อผ้าเก่าๆ เ, เปื้อนคราบสีน้ำตาลคล้ายกับเลือดเส้นผมรุงรังสีดาปนขาว เขาคนนั้นกำลังเดินอยู่ริมถนนแล้วเขาก็หันมามองที่รถของเราด้วยว่ากันว่าใครก็ตามที่เห็นหน้าของกระสือตนนั้นแล้วกระสือจะคอยตามเอาชีวิตคนที่เห็นใบหน้าของตนเพราะกลัวว่าจะนำความลับไปบอกคนอื่นตั้งแต่วันนั้นมาจนทุกวันนี้เราก็ไม่ไปที่บ้านป้าคนนั้นอีกเลย สมภัสยอง